ปฏิโกศนาการกล่าวคัดค้านสองอย่างเรื่องคำคัดค้านของคน27จําำพวกฟังไม่ขึ้น394ภิกษุทั้งหลายคำคัดค้านในท่ามกลางสงของบางคนฟังขึ้นของบางคนฟังไม่ขึ้นภิกษุทั้งหลาย คำคัดค้านในท่ามกลางสงของใครเล่าฟังไม่ขึ้นภิกษุทั้งหลายคำคัดค้านในท่ามกลางสงของภิกษุณีฟังไม่ขึ้ น, ข อ, านาของสิกขมานาของสัมมะเนรของสัมมเนรีของภิกษุผู้บอกลาสิกขาของภิกษุผู้ต้องอันติมะวัตถุของภิกษุผู้วิกลจริตของภิษุ ผู้มีจิตฝุ่งซ่านของภิกษุผู้กระสับกระสายเพราะเวทนาของภิกษุผู้ถูกสง์ลงอุคเขปเนิยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัติของภิกษุผู้ถูกสง์ลงอุคเขปเนิยกรรมเพราะไม่ทําคืนอาบัติของภิกษุผู้ถูกสง์ลงอุคเขปนิยกรรมเพราะไม่สละทิฏฐิบาปของบันดกของคนลักเพศ ของภิกษุผู้เข้ารีดเดียรถีของสัตว์เดียรฉานของคนผู้ฆ่ามารดาของคนผู้ฆ่าบิดาของคนผู้ฆ่าพระอรหันต์ของคนผู้ประทุษร้ายภิกษุณีของภิกษุผู้ทำลายสงฆ์ของภิกษุผู้ทำ้ า, ายพระศาสดาจนถึงห่อพระโลหิตของอุพโตพยัญชนก ของภิกษุผู้เป็นนานาสังวาสของภิกษุผู้อยู่ในนานาสีมาของภิกษุผู้อยู่ในอากาศด้วยริษภิกษุทั้งหลายสงธรรมกรรมแก่ผู้ใดคำคัดค้านในท่ามกลางสงของผู้นั้นฟังไม่ขึ้นภิกษุทั้งหลายคำคัดค้านในท่ามกลางสงของบุคคลเหล่านี้แลฟังไม่ขึ้น ภิกษุทั้งหลายคำคัดค้านในท่ามกลางสงของใครเล่าฟังขึ้น